จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทา่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่แมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทําบุญ มาล้างบามาจำละกายวาจาใจให้สะาบริสุทธิ์เพราะมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนไว้ว่ า, วาใจเป็นนายกายเป็นบาวพระพุทธเจ้าให้เราให้ความสำคัญแก่ใจ มากกว่าร่างกายเพราะว่าร่างกายของเราเป็นของชั่วคาวเป็นส่วนย่อยใจเราเป็นส่วนใหญ่เป็นของถาวรความสุขความทุกข์ทางร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยสวย่วนความสุขความทุกข์ทางใจนี้เป็นส่วนใหญ่เราจึงอยางไปหลงดูแลความสุขทางร่างกาย ดูแลร่างกายมากจนเกินไปเพราะความสุขที่เราได้จากร่างกายเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีวันหมดไปแต่ความสุขที่เราหาให้กับใจนี้จะเป็นความสุขที่อยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อม ดังนั้นวันพระจึงเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พุทธศาสนิกชนได้ปล่อยวางภารกิจทางร่างกายปล่อยวางการหาความสุขทางร่างกายแล้วให้มาทำภารกิจทางจิตใจให้มาสร้างความสุขได้แก่จิตใจด้วยการทําบุญด้วยการละบา โดยการชำระใจให้สาอาดกำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพราะก่อนที่เราจะสร้างความสุขให้กับใจได้เราต้องรู้จักวิธีรู้จักเอตที่จะนำความสุขมาให้แก่ใจนั่นเอง ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้จากเหตุไม่รู้จากวิธีที่จะทาใจของเราให้มีความสุข ด, ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงบรรัญญัติวันธรรมวัฒนาขึ้นมาธรรมวัฒนาแปลว่าการฟังธรรมถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะได้รับประโยชน์ หลายประการด้วยกันเช่นนึ่งจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเช่นเราจะไม่ได้ยินได้ฟังว่าใจนี้สำคัญกว่ร่างกายเราไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเราคิดว่าเรามีร่างกายมีใจเป็นส่วนเดียวกันแล้วก็เวลาที่ร่างกายตายไปแล้ว เราก็ไม่รู้ว่าใจของเรายังอยู่ต่อไปเราก็คิดว่าอาจจะคิดว่าตายไปแล้วก็จะไม่มีอะไรตามมาอีกต่อไปแต่ถ้าเรามาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะได้ฟังเรื่องใจเรื่องใจที่ไม่มีวันตายเรื่องใจที่ไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์ใจนี้เป็นเหมือนคนขับรถยนต์ เป็นคนละส่วนกันรถยนต์เสียรถยนต์ชำรุดรถยนต์พังไปคนขับไม่ได้พังไม่ได้ชำรุดไปกับร่างกายไปกับรถยนต์ถ้าต้องการใช้รถยนต์คันใหม่ก็ซื้อรถคันใหม่ได้คนขับยังอยู่ฉันใดใจก็เป็นเหมือนคนขับร่างกายนี่เองเวลาร่างกายเป็นอะไรไปตายไป ใจที่เป็นคนขับร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปจากร่างกายถ้าใจยังอยากได้ร่างกายอันใหม่ก็จะกลับมาเกิดใหม่เองจะเพียงแต่ว่าการกลับมาเกิดนี้มันไม่ดีเพราะว่าเกิดมาแล้วต้องมาทุกข์ ก, กับอะไรก็ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ตัวทุกข์กับความตายทุกข์กับการเดือดรวนต่อสู้ รักษาชีวิตของร่างกายให้อยู่ไปตามกำลังต้องเหนื่อยยากกับการทำมาหากินหาเงินหาทองหาปัจจัยสี่ต่างๆมาทำน่วมบำรุงดูแลรักษาร่างกายแล้วก็ต้องมาเหนื่อยกับการใช้ร่างกายไปหาความสุขทางต า, งางหูจมูกลิน้นกาย เป็นความทุกข์ที่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะความอยากได้ความสุขเล็กๆน้อยๆจากร่างกายจากสิ่งต่างๆที่ร่างกายสามารถหามาให้ได้ก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นความทุกข์กันแต่คนฉลาดถ้านั่งพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่าชีวิตของเรานีเ้ 99% อมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลา ทุก็ต้องลิ้นลนต่อสู้รักษาชีวิตเอาไว้พอรักษาชีวิตได้แล้วก็ต้องมาดิ้นรนต่อสู้หาความสุดต่างต่างๆรูจ้จหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องมาทุกข์กับเวลาที่ร่างกายเสือ่อมร่างกายแก่ลงไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายไป เราก็ต้องมาทุกกับสิ่งต่างๆที่ได้มาที่เวลาเขาเสื่อมไปเขาจากเราไปนี่คือความทุกข์ต่างๆที่พวกเราเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้ความสุขที่เราได้รับนั้นเป็นความสุขเดียวเยวเช่นเวลาเราได้อะไรมาเราก็มีความสุขแล้วมันก็หายไปแล้วก็เกิดวามทุกข์ที่จะต้องมา คอห่วงคอยห่ว ง, ค อ, วงคอยดูแลรักษาสิ่งต่างๆที่เราหามาได้แล้วก็ต้องมาทุกกับการพัดผ้าจากสิ่งต่างๆไปในที่สุดไม่ช้าก็เร็วเขากับเราก็ต้องไปคนละทางกันถ้าเขาไม่ไปก่อนเราเราก็ไปก่อนเขาหรือไม่เช่นนั้นก็ไปพร้อมๆกันนี่คือความทุกข์ต่างๆที่ไดจากการมาเกิด ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาพิจารณาเราจะหลงละเลงกับการมีชีวิตอยู่และอยากจะมีชีวิตอยู่ปนานๆซึ่งความอยากนี้ก็จะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับจาด้วยเวลาอยากจะอยู่แล้วไม่ได้อยู่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาอยากจะสาวไม่อยากจะแก่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลา อยากจะให้ร่างกายสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือความทุกข์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามอง ก, กันมองให้เห็นว่าการมาเกิด น, นี้มันไม่ดีความสุขที่ได้กับความทุกข์ที่ได้มานี้มันเหมือนฟ้ากับดิน ได้ความสุขมาเพียงหนึ่งเซี่ยวหนึ่งส่วนแล้วต้องได้ความทุกข์มาถึง99สส่วนด้วยกันอย่าไปหลงกับการมาเกิดมามีร่างกายขอให้เรามายุติการเวียนว่ายตายเกิดกันดีกว่าให้เรามาสร้างความสุขให้กับใจถ้าใจมีความสุขแล้ว ใจไม่ต้อง um. ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขใจก็ไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมามีร่างกายแต่ถ้าใจของเรายังไม่มีความสุขใจของเรายังมีความหิวมีความอยากมีความสุขต่างๆความต้องการต่างๆใจก็จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขใจก็จะต้องมาเกิด พอมาเกิดแล้วก็ต้องมาดิ้นรนต่อสู้กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำมาหากินเลี้ยงหาเลี้ยงชีพหารายได้ามาจุนเจือแล้วก็มาดิ้นรนกับการหาความสุขที่เป็นความสุขประเดียวประดาวคือความสุขที่ได้จากการดูการฟังจากการลิ้มรส ด, ดมกลิ่นได้สัมผัสกับคะ สิ่งสัมผัสต่างๆซึ่งเป็นความสุขประเดียวประดาวพอไม่ได้สัมผัสความสุขเหล่านั้นก็หายไปหมดไปทิ้งไว้ก็คือความหิวความอยากที่อยากจะเสพอยากจะสัมผัสอีกเช่นเวลาที่เราได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราจะมีความสุข แต่พอเรากลับมาบ้างความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็จะจางหายหมดไปแล้วก็ทำให้เกิดความอยากออกไปหาความสุขจากการไปเที่ยวใหม่เราก็ต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆเที่ยวไปจนวันแกวันตายความอยากเที่ยวก็จะไม่มีวันหมดไปเพราะนี่มันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ ที่พวกเราหลงกันคิดว่าเป็นความสุขกันความสุขที่พวกเราไม่รู้กันนั้นมีอยู่ภายในใจของเราเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราไม่ต้องใช้เงินทองเราไม่ต้องใช้สิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรานี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วก็ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่พวกเราให้พวกเรามาสร้างความสุขอันนี้กันด้วยการมาวัดในวันพระมาศึกษาวิธีสร้างความสุขแล้วก็มาปฏิบัติหลังจากที่ได้รู้แล้วว่าการสร้างความสุขที่แท้จริงสร้างความสุขที่ถาวรสร้างความสุขที่ให้ความอิ่มความพอ ไม่ต้องมีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจวิธีสร้างความสุขใจนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้สามขั้นด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งเรียกว่าทาบุญขั้นที่สองเรียกว่าละบาขั้นที่สเรียกว่าชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือวิธีที่จะสร้างความสุข ที่ถาวรให้แก่ใจการทำบุญเป็นการสร้างความสุขใจเช่นเวลาเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ทำประโยชน์ได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราจะมีความสุขใจขึ้นมาอย่างวันนี้ญาติโยมก็มีความสุขใจที่ได้นาเอากับข้าวกับปลาอาหารของเกาวของหวานต่าง เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมาถวายให้กับพระผู้ที่ต้องอาศัยการให้ของญาติโยมเพื่อเพื่อการอยู่อย่างปกติสุขเวลาถ้าไม่มีญาติโยมนําข้าวของนําอาหารขาวหวานมาให้พระพระก็จะเดือดร้อนจะอดอยากขาดแคลนจะมีความทุกข์ แต่พอญาติโยมนำเอาอาหารคาวหวานต่างๆมาถวายพระพระก็มีอาหารรับประทานอย่างเป็นที่ทำให้มีความอิ่มมีความสุขทางร่างกายการที่เราให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็จะทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาภายในใจและเป็นความสุขที่มีความอิ่มมีความพอ ไม่ได้เป็นความสุขที่จะทำให้เราหิวอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่จริงที่ให้ความอิ่มความพอแทนที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวหรือเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นเช่นซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ซื้อกระเป๋าใบใหม่ เราเอาเงินนี้มาซื้อของให้แก่ผู้ให้แก่คนที่เขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากอดอยากขาดแคลนจะดีกว่าทำให้เขามีความสุขแล้วจะทำให้เรามีความสุขมีความอิ่มจะทำให้เราไม่อยากต้องซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ต้องซื้อกระเป๋าใบใหม่ต้องซื้อรองเท้าคู่ใหม่ การที่เรายังมีความอยากซื้อของต่างๆางเหล่านี้อยู่ก็เพราะว่าเราไม่ได้ทําบุญกันนั่นเองถ้าทําบุญกันมากๆแล้วนับรอกได้ว่าจะไม่อยากซื้ออะไรเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้ความสุขความอิ่มใจเท่ากับการทําบุญนี่นี่คือสิ่งที่เราควรจะหักทํากันทดลองทําดูอย่างวันนี้ก็มาทํากันแล้ว หนงครั้ ง, งอยากจะให้ทํามากขึ้นไปกว่านี้คอยสังเกตดูว่าใครเดือดร้อนใครตกทุกข์ได้ยากลำบากแล้วลองไปช่วยเขาดูช่วยได้ช่วยด้วยน้ําใจช่วยด้วยความเมตตาการุณาช่วยด้วยความปรารถนาดีอยากจะให้เขามีความสุขเพิ่มมากขึ้นอยากจะให้ความทุกข์ของเขามีน้อยลงไป ทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจะเกิดความสุขใจขึ้นมาอย่าทําเพื่อหวังผลตอบแทนเพราะการทำอะไรเพื่อหวังผลตอบแทนนี้ไม่เป็นบุญไม่ใช่เป็นการทาบุญเป็นการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่ยนเช่นเราไปที่ร้านขายของเราให้เงินเขาเขาให้ของเรามาอย่างนี้เราไม่เกิดความอินใจสุขใจแต่อย่างใด เช่นเราซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาให้เงินเขาไปกลับมาบ้านไม่นานเดี๋ยวก็อยากจะซื้อชุดใหม่อีกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการทําบุญไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มใจเกิดความพอใจขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าเราเอาเงินเงทองไปให้คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือไปซื้อของแล้วก็เอาไปให้ ที่เดือดร้อนตกทุกขได้ยากเราจะเกิดความสุขใจอิ่มใจพอใจขึ้นมาจะทำให้เราไม่รู้สึกอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะไม่ทาใหเราอยากไปที่นั่นมาที่นี่เพราะว่าใจมีความอิ่มมีความสุขกลับไปอยู่บ้านสบายกว่าไม่ต้องเหนื่อยกับการออกไปข้างนอกบ้าน เวลาออกไปนอกบ้านแต่ละครั้งก็ต้องแต่งเนื้อแต่ดตัวต้องเสียเงินเสียทองกับค่าใช้จ่ายต่างๆกลับมาก็ไม่ได้ความอิ่มใจสุขใจกับความพอใจไม่เหมือนกับการออกไปช่วยเหลือผู้ไปทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นการทำบุญนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำแก่พระหรือนักบวชถึงจะได้บุญ ทำกับใครก็ได้บุญเหมือนกันเพราะคำว่าบุญนี้แปลว่าความสุขใจอิ่มใจความพอใจนี้เองทำกับคาววะญาติโยมด้วยกันก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ทำกับครูบาอาจารย์ทำกับญาติสนิทมิตสหายทำกับลูกทำกับหลาได้บุญดั้งนั้นได้ความสุขใจทั้งนั้นถ้าเราไม่มี ความต้องการสิ่งตอบแทนจากการให้ของเราแต่ถ้าเราให้เพื่อให้เขาดีกับเราอย่างนี้ก็อาจจะทำให้เราเสียใจได้เวลาให้เขาแล้วแทนที่เขาจะดีกับเราเท่ากับร้ายกับเราแทนที่เขาจะเคารพเรานับถือเราเท่ากับด่าเราว่าเราถ้าเราทำเพื่อหวังให้เขาดีกับเราเคารพเราพอเขาไม่ดี เขาด่าเราเขาว่าเราเราก็จะโกรธจะเสียใจขึ้นมาแทนที่จะได้บุญก็เลยได้บาปได้ความทุกข์ใจกับคืนมาแล้วก็จะทำให้เรากลับไปทำบาปได้กลับไปทำร้ายคนที่เขาทำให้เราเสียใจได้ดังนั้นการทำบุญนี้ต้องทาด้วยจิตใจที่สะอาด บ, บริสุทธิ์คือไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้รับเลย แม้แต่คำว่าขอบคุณก็ไม่ต้องการแต่ถ้าเขาจะขอบคุณก็ก็ปล่อยให้เขาทำฝ่าว่าฝปอันนี้เป็นมารยาทเป็นอัธยาศัยของผู้รับที่ควรจะแสดงตอบแทนบุญคุณของผู้ให้ด้วยการขอบอกขอบใจหรือทำอะไรที่แสดงกิริยาการถึงความทราบซึ้งในบุญคุณของผู้ที่กระทา แต่ผู้ที่ให้นี้ไม่ควรหวังอะไรจากผู้รับผู้รับควรที่จะแสดงความกตัญญูกตเาเวทีเพราะว่าเป็นคุณสมบัติของคนดีนั่นเองของคนที่รู้ว่าคนที่ให้เรานี้มีบุญคุณกับเราเราควรที่จะรักษาน้ำใจของคนที่เขาช่วยเหลือเรา ให้สิ่งต่างๆางกับเราไม่ใช่ไปทําลายน้ําใจด้วยการแสดงกิริยาการที่ไม่เหมาะสมนีม่คือเรื่องของการทำบุญไม่จำเป็นจะต้องทํกับวัดอย่างเดียวทํากับโรงพยาบาลก็ได้ทํากับโรงเรียนก็ได้ทํากับสถานสงเคราะห์ต่างๆก็ได้ทํากับขอทานก็ได้ทํากับ สัตเดรัจฉานก็ได้เช่นสุนัขแมวหรือปลานกอย่างนี้อันนี้เป็นการทําบุญที่จะทําให้เราเกิดความสุขใจเป็นความสุขใจในระดับต้นที่จะทําให้เราสามารถทําความสุขใจในระดับขั้นที่สองได้ก็คือการไม่ทําบา การไม่ทำบาบนี้ก็จะทำให้ใจเรามีความสุขเพราะเวลาที่เราทำบาบนี้ใจจะไม่สุขใจจะวุ่นวายใจจะวิตกกังวลใจจะกลัวกับผลของบาปที่ทำเอาไว้ใจจะกลัวว่าจะถูกคนอื่นตาหนิติเตียนจะถูกคนอื่นดูด่าว่ากาวจะกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษ ดังอย่าทาบาปเป็นอําขาถ้าอยากจะมีความสนใจคนที่ทำบุญแล้วจะทาจะไม่ทำบาปง่ายคนที่ยังไม่ได้ทำบุญนี้จะไม่ทำบาปยากจะทำบาปง่ายเพราะคนที่ทำบุญนี้จะไม่ชอบทาบาปนั่นเองดังนั้นก่อนที่เราจะละบาปได้เราต้องมาทำบุญก่อนเพราะเวลาเราทำบุญ ใจของเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อยากจะให้ผู้มีความสุขมีความเจริญพอเรามีความปรารถนาดีแล้วเราก็จะไม่อยากทําร้ายผู้ดจะไม่อยากฆ่าสัตว์จะไม่อยากลักทรัพย์จะไม่อยากปพฤติผิดประเวณีจะไม่อยากโอกหกหลอกลวงจะไม่อยากเสพสุรายาบ้า เพราะว่าเราไม่อยากจะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้าเรารักษาศีลได้ไม่ทําบาปได้ใจของเราก็จะสงบจะไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้ไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่คนที่ทําบาปนี้จะวิตกกัวงวลกลัวจะถูกคนนั้นมาทาร้าย กลัวจะถูกสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทำร้ายเราดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขใจมีความรู้สึกปลอดภัยเราต้องไม่ทำบาปเพราะการทำบาป น, นี่แหละเป็นการสร้างภัยต่างๆให้เกิดขึ้นกับเราภัยที่เกิดจากการกระทาของเราเช่นต้องไปติดคุกติดตารางต้องขึ้นโลกขึ้นศาลต้องเสียค่าชดใช้ต่างๆ ก็เพราะเกิดจากการกระทำบาปของเราเนี่เองดังนั้นขอให้พวกเราพยายามสร้างความสุขใจด้วยการไม่ทำบาปกันอย่างวันนี้ท่านก็มาตั้งใจว่าจะไม่ทำบาปกันด้วยการสร้างสมาทานศีลห้าข้อด้วยกันเมื่อสมาทานแล้วเราต้องรักษาเพราะว่าเป็นเหมือนกับการทำสัญญา กับตัวเองโดยมีผู้อื่นและมีพระภิกษุสา ม, มเณรเป็นสักขีพยานว่าวันนี้ท่านจะรักษาศีลห้ากันจะรักษาได้นานเท่าไหร่ก็อยู่ที่ว่าเราจะกำหนดเวลาไว้จะรักษาเพียงขนาดที่อยู่ในศาลานี้ก็ได้นิดเดียวพอออกจากศาลาก็โยนใส่ถังขยะไป แต่ถ้าอยากจะได้ความสุขทั้งวันก็ต้องพยายามรักษาสี่ห้าข้อนี้ให้ได้ทั้งวันความสุขใจความทุกข์ใจนี้ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราทำบุญเราก็จะได้ความสุขใจถ้าเราทำบาปเราก็จะได้ความทุกข์ใจนี่คือผลที่เราจะได้รับในปัจจุบัน แล้วยังมีผลที่เราจะต้องรับต่อไปเองหลังจากที่เราตายไปแล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเพราะว่าใจของเราไม่ได้ตายไปจากร่างกายบุญกับบาป ท, ที่เราทำไว้ยังติดข้างอยู่ในใจของเราบุญกับบาปนี่แหละจะมาแย่งใจของเราให้ไปสวรรค์หรือไปอาบายถ้าบุญมีกำลังมากกว่า ก็จะดึงใจให้ไปสวค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะดึงใจให้ไปอบายให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นเปรตให้ไปใช้กรรมในนรกนี่คือเรื่องของบุญของบาป ท, ที่จะตามมาต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วอันนี้เป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่าประมาทในเรื่องของบุญของบาปเพราะว่าเราบองไม่เห็นกันเราไม่เห็นใจของเราเองทั้งๆ ท, ท, ที่เรานี่แหละเป็นใจเราเป็นผู้คิดเป็นผู้รับรู้สิ่งต่างๆแต่เราไม่รู้ว่าเรานี้เป็นใจเรากลับคิดว่าผู้รับรู้คือร่างกายผู้ทําอะไรต่างๆนี่คือร่างกายความจริงร่างกายนี้เป็นเพียง เป็นเครื่องมือของใจเท่านั้นเองใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำบุญทำบาปแล้วก็ใจนี่แหละเป็นผู้รับผลบุญผลบาปไม่ใช่ร่างกายร่างกายเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาเป็นเหมือนรถยนต์ขับรถยนต์ไปชนคนตายเขาไม่จับรถยนต์ไปขังคุกขังตารางเขาจะจับคนขับรถไปขังคุกขังตารางฉันใดเวลา ร่างกายนี้ตายไปกฎแห่งกรรมก็จะมาตัดสินว่าใจดวงนี้จะไปไหนก่อนจะไปไหนหลังถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็ต้องไปใช้บาปก่อนถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็ไปรับผลบุญก่อนจนกว่าบุญและบาปมีกำลังเท่ากันบุญไม่สามารถดึงใจให้อยู่ในสวรรค์ได้ บาปไม่มีกำลังดึงให้ไปตกนรกได้ตอนนั้นก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่แล้วพอตายไปก็จะถูกบุญกับบาปเป็นผู้มาดึงไปดังนั้นถ้าเราทำบุญละบาปทุกครั้งที่เราตายไปนี้เราจะไม่ต้องไประบายอย่างแน่นอนเราจะไปแต่สวรรค์อย่างเดียว เพียงแต่ว่าเรายังต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเรายังไม่ได้ทำบุญขั้นที่สาถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่เราต้องชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะสิ่งที่ทำให้ใจเราไม่สะอาดนี้เป็นต้นเหตุของพบของชาติของการกลับมาเกิดใหม่นั่นเองก็คือความโลภความอยากต่างๆคราบใดที่เรายังมีความโลภยังมีความอยาก อย่างอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออย่างอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ตามนั้นเราจำจะต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องมาชาระความอยากความโลภต่างๆด้วยการภาวนาคำว่าภาวนานี้แปลว่าการทําใจให้สงบ ทำใจให้หยุดความอยากต่างๆวิธีที่จะหยุดความอยากขั้นที่หนึ่งก็คือให้ควบคุมความคิดของเราอย่าปล่อยให้ใจเราคิดเรื่อยเปือยเพราะเวลาเราคิดแล้วจะเกิดความอยากตามมาพอคิดถึงตู้เย็นก็อยากจะเปิดดูว่าในตู้เย็นมีอะไรรับประทานถ้าคิดถึงตู้โทรทัศน์ก็อยากจะเปิดว่ามีอะไร ถ้าคิดถึงโรงภาพยนตร์ก็อยากจะไปดูภาพยนตร์ถ้าคิดถึงขนมนมเนยต่างๆก็อยากจะไปหาขนมนมเนยมารับประทานถ้าคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเกิดความอยากแล้วใจก็จะวุ่นขึ้นมาจะเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะเสียใจจะโกรธขึ้นมา ดัง น, นั้นเราต้องควบคุมความคิดให้ได้วิธีที่ควบคุมความคิดก็คือต้องใช้ความคิดมาควบคุมความคิดเช่นให้คิดแต่คําว่าพุโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับพุโทโธก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่ชอบพุโทโธจะใช้ธรรมโมก็ได้ใช้สังโฆก็ได้จะใช้พุธทธังสรารณันกระฉามิก็ได้ จะใช้บทสวดมนต์ก็ได้ใิตีปิโสจะใช้อาการ32สองของร่างกายก็ได้ท่องอาการ32ไปเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือจะใช้นับหนึ่งสองสาไปก็ได้นับไปให้ถึงหมื่นถึงแสนไปเลยอย่าไปคิดอะไรแล้วใจจะไม่มีความอยากแล้วเวลามานั่งหลับตา ทำใจให้สงบใจก็จะสงบได้อย่างเต็มที่พอใจสงบอย่างเต็มที่จะมีความสุขมากมากจนมากจนไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นความสงบชั่วคราวเท่านั้นพอออกจากความสงบนี้มาถ้าไม่คอยควบคุมความคิดหรือถ้าไม่ใช้เหตุผลมาสอนใจใจก็จะเกิดความอยากขึ้นมาได้ ถ้าอยากจะให้ความอยากหายไปอย่างถาวรก็ต้องใช้เหตุผลมาสอนใจสอนให้ใจรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้ให้ความสุขให้ความสุขเพียงนิดเดียวให้ความทุกเสียมากกว่าเวลาได้อะไรมาดีอกดีใจเดียวเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาเป็นภาระกับจิตใจต้องคอยดูแลรักษาและเวลาหายไปเสียไป จากเราไปก็จะเศร้าโศกเสียใจถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องมาห่วงมาห่วงไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาสอนใจอย่างนี้ไปแล้วต่อไปจะไม่อยากได้อะไรเพราะสิ่งที่ได้มาไม่ได้ให้ความสุขอย่างเดียวมีความให้ความทุกข์มาด้วยและเป็นความทุกข์ที่มากกว่าความสุขหลายสิบเท่าด้วยกัน นี่คือการใช้เหตุผลสอนใจให้ยุติความอยากต่างๆ ต, ต่อไปจะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้น่าอยากได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์กเพราะว่าจะต้องเสื่อมบวดไปทุกเพราะว่าเราไปควบคุมบังคับให้อยู่กับเราให้เป็นเหมือนเดิมไปตลอดไม่ได้นั่นเองนี่คือการหยุดความอยากชำระใจให้สะาดบรสุดอย่างท้าววย ต้องชำระด้วยการใช้เหตุผลใช้ปัญญาถ้าเราสามารถชำระใจให้สะอาดจนไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ได้แล้วก็จะไม่มีเชื้อที่จะพาให้ไปเกิดอีกเหมือนกับรถยนต์ถ้าไม่มีน้ำมันแล้วรถยนต์ก็ไม่สามารถวิ่งได้ต่อไปถ้าพวกเราหยุดความอยากได้พวกเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาตายอีกต่อไป เราก็จะมีความสุขไปตลอดมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายใจของเราไม่ต้องมีที่อยู่ตอนนี้ใจของเราหลงต้องมาสายร่างกายเป็นที่อยู่แต่เวลาไม่มีร่างกายใจเราก็ยังอยู่ได้เหมือนกับเวลาที่มีร่างกายไ ม, ตมย่ต่างกันเลยต่างก็ตรงที่ว่าไม่มีความทุกข์เท่านั้นเองถ้ามีร่างกายใจจะต้องมีความทุกข์เพราะมีความอยาก ดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าและพยายามปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่ง ส, สอนรับรองได้ว่าเราจะมีความสุขอย่างมากเราจะไม่มีความทุกข์เลยด้วยการทำบุญล่างบาศและชำระใจให้สะาอาดบริสุทธิ์การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนตรัย